เวลาถามหลวงตาเนี่ยมันก็มีความสงสัยสงสัยของมันอยู่ข้างในอย่างเงี้ยตลอดเวลาหลวงตามันมันเนี่ยค่ะมันปรุงขึ้นมาว่าจะสงสัยมันมันจะไม่จบสักทีเวลาใช่เวลาถามหลวงตาเลยปุ๊บมันก็จะมีเรื่องอื่นขึ้นมาแล้วเป็นไงแล้วเป็นยังไงพอเราเห็นว่ามันมีความสงสัยสงสัยมีเรื่องอื่นมาในใจเราตลอดเลยเนี่ยแล้วเราแล้วเราจะต้องรู้เห็นมันยังไงถ้าเข้าใจมันยังไง่ะเรากระพ่้ยกระหมบได้ <K> <T> ก็จริงก็ ต, งต้องต้องรู้อย่างที่เป็นนะคะแต่เราไม่ที่จะไปตามมันว่าสงสัยแเราก็จะตามนี่ค่ะโยมจะตามว่าจะคิดจะถามอะไรต่ออย่างนี้ค่ะสงสายอันนี้หลงเลยเราจะไปตามความสงสัยเราเห็นแต่มันสงสัยสงสัยมันเป็นสังขารมุงแต่งแต่เราตามความสงสัยคือจะเอาคําตอบจอากความสงสัยได้นี่หลงเลยหลงห ล, ลงติดไปกับมันจริงปัญหามันที่สงสัยสงสัยมันไม่ได้เป็นปัญหาปัญหาที่มันควรจะคิดก็จะสงสัยเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเข้าใจดีนะ ตัวที่เราจะคิดตัวตัวที่มันคิดตัวที่มันสงสัยไม่ได้เป็นปัญหาปัญหามันอยู่ที่เราเนี่ยจะไปเอาคําตอบจากความสงสัยให้ได้แล้วเราจะไปเอาอะไรให้ได้ตามที่เราคิดเนี่ยอันนี้มันเป็นความหลงไอ้ความคิดความสงสัยไม่ได้เป็นปัญหามันเป็นแต่แค่สังขารตงแต่งธรรมดาแต่การที่เรามหลงก็จะไปเอาคําตอบจากมันหลงจะไปเอาตัวมีตัวเราจะไปเอาอะไรให้ได้นี่เป็นอวิชชาสังขารทั้งหมดได้ไม่ได้มีปัญหาไม่ใช่เราไปดับสังขารนะ สังขารทั้งหมดไม่ได้มีปัญหาปัญหามันอยู่ที่อวิชชาคือเราเนี่ยมีตัวเราหลงไปกับสังขารนี่เป็นอวิชชาหรือมีตัวเราเนี่ยจะพยายามไปดับสังขารนี่ก็เป็นอวิชชาแต่สังขารเนี่ยมันไม่ได้เป็นโทษพิษภัยอะไรหรอกถ้าเราไม่มีตัวเราหลงก็ไปมีส่วนได้เสียมันปัญหามันอยู่ตรงปัญหามันอยู่ที่ความปรุงแต่งเป็นตัวเราเนี่ยความปรุงแต่งเป็นตัวเราแล้วเราไม่เห็นว่าไอ้ความปรุงแต่งเป็นตัวเรามันก็เป็นสังขารมันถึกปรุงแต่งได้ แต่เราเน like like ี่ยหลงสังขารจริงคือเอาสังขารมาปรุงแต่งเป็นตัวเราแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปหลงสังขารคือเข้าไปมีส่วนได้เสียกับสังขารจริงๆมันคิดอะไรเราก็จะไปกับมันให้ได้มันสงสัยอะไรเราก็จะไปเอาคําตอบจากมันให้ได้แล้วเพื่อจะอะไรเพื่อจะให้ตัวเราเนี่ยไปได้อะไรไปเป็นอะไรไปถึงอะไรไปบรรลุอะไรอันนี้มันเป็นอัวิชามันอยู่ตรงนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตัวเราหลงเอาปรุงแต่งเป็นตัวเราแต่ตัวเราเนี่ยที่มันปรุงแต่งเป็นตัวเราได้มันก็เพราะว่ามันเอาสังขารมาปรุงธรรมชาติของวิสังขารเนี่ยมาปรุงไม่ได้ มันเป็นธรรมชาติที่เป็นอาสังขารหรือวิสังขารเป็นอาสังขารสัมผัสนั่นคือความไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้ได้แต่แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่นั้นเนี่ยเราเป็นธรรมชาติที่เป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติที่ปรุงแต่งมาได้ไม่มีกิริยอาการใดไม่มีรูปพรรณสถานัสใดๆอันนี้ก็เข้าใจอ่ะค่ะแต่มันก็ต้องก็ต้องแค่รู้อย่างนี้ต้องฝึกฝึกยังไงเดี๋ยว่อนทวนเข้าก็ใจหน่อย ลงก็เปล่าเดี๋ยวกลับไปฝึกผิดๆอีกก็ต้องระลึกเอาไว้ว่ามันเป็นสังขารถ้ามันอะไรมันขึ้นมาก็แค่แค่สังขารสังขารอย่างเนี้ยค่ะมันสอนตัวเองไปไปก่อนนะคะเอออย่างนั้นแน่มันก็สอนตัวเองไม่กี่ครั้งหรอกเดี๋ยวมันผมมันรู้ซึ้งแก่ใจมันก็ไม่ต้องสอนแล้วมีอะไรโผล่มาแลเห็นเป็นสังขารหมดมีอะไรมีปฏิกิริยาอะไรกับเพื่อนขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาคิดนึกติดตองอะไรขึ้นมาพูดขึ้นมาพุมพัขึ้นมาอะไรในใจไปเพ่งไปจ้องไปดูพยายามรู้พยายามเห็นพยายามความเข้าใจพยายามไปดิ้นรนค้นหา เดี๋ยวสุดท้ามก็รู้ออกมาจากใจเองว่าเป็นสังขารทั้งหมดตอนแรกก็ช่วยบอกสอนมาหน่อยตอนตอนมันเกิดสังขารขึ้นมาช่วยช่วยกํากับมันมีปัญญากํากับเป็นโยนิโสบรณาธิการนิดหน่อยคือมีความรู้สึกไปในใจโดยแยบคายตลอดเวลานี่ก็สังขาร น, นี่ก็สังขาร น, นี่ก็สังขาร น, นี่ก็สังขาร น, นี่ก็สังขารปล่อยวางให้หมดมันจะวา่าใจปล่อยวางสังขารหมดแล้วก็หมายผิดอีกเป็หมายว่าเดี๋ยวปล่อยวางสังขารหมดเราจะได้ ไปอยู่ฝั่งวิสังขารคือเราจะได้กลายเป็นว่างไม่ปรุงแต่งอะไรอันเนี้ไปยึดความปรุงแต่งไว้เลยเันเนี้ยละละสังขารแต่ยึดความปรุงแต่งไว้อีกมือนึงละมือหนึ่งยึดไปอมือนึงเอยอย่างนี้การเป็นยึดเลยเดี๋นี้ยนี่ค่ะมันจะมันจะสลับไปสลับมาเหมือนที่หลวงตาว่าจับหัวจับหางอะไรยเ อ, อีมันก็จะเหมือนกับพวกที่สร้างแม่น้ําขึ้นมาในใจสองฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นแม่น้ําแห่งความว่างคือวิสังขาร แล้วก็รังเกียจไอฝั่งแม่น้ำฝ่ายที่เป็นสังขารทั้งหมดคอยปัดคอยปฏิเสธแตุ่ือใช่ตัวเองอะปฏิเสธไอส่วนที่เป็นสังขารทั้งหมดนี่สังขารที่กันสังขารที่กันสังขารสังขารแต่ใจตัวเองก็หมายและยึดไว้แน่นเลยไอวิสังขารหรือว่าพุทธาหรือความว่างเนี่ยยึดแม่น้ำฝั่งนี้เลยว่าสังขารทังหมดอะเอเข้ามาไม่ได้ยึดกันไปจนจุดความสามารถข่าอยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งที่เป็นวิสังขารที่เป็นความว่างเอออย่างนี้มันก็ยึดตายเลยแบบเนี้ย มันมันติดไปกับอะไรมันก็เป็นกิเลสตัณหาแต่มันวิตัณหาที่เราไม่ค่อยจะรู้กันนะคือว่าตัณหาที่เรากลัวว่ามันมันจะติดไปกับอะไรเราไม่อยากให้มันติดไปกับอะไรนี่คือตัณหาคือเราไม่อยากให้มันมีตัณหาไอ้เนี่ยคือตัณหาเออเราเราอยากอยากแต่เป็นอยากไม่ให้มันเป็นตัณหาอยากไม่มีตัณหาอยากไม่มีกิเลสไอ้นี้มันเป็นตัณหาแล้วเราก็ติดไปกับอะไรก็เป็นตัณหาไอ้เนี่ยเราไปเห็นแต่ ที่ติดไปกับอะไรแต่ไอ้ที่เราเนี่ยจะพยายามรักษาตัวเองไม่ติดไปกับอะไรนั่นก็เป็นตัณหาคือในความเป็นจริงแล้วคือกิเลสตัณหามันมีของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็แค่รู้อย่างเนี้ยคะ่ะอย่างที่มันเป็นโดยที่ไม่ไม่ไม่หลงติดไปกับมันเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันจะมีกิเลสตัณหาต่อเมื่อมีตัวเราความรู้สึกเอาขันห้ามาปรุงแต่งเป็นตัวเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราแล้วมีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียที่จะเป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้ามันเป็นแต่กิริยาการจิตเฉยๆอย่างไรก็ตามมันไม่เป็นกิเลสตัณหาต่อให้มันเป็นอกุศลก็ไม่เป็นกิเลสตัณหาจะเป็นกิเลสตัณหาได้ต้องมีความรู้สึกปรุงแต่งเป็นความรู้สึกเอาขันห้ามาปรุงแต่งเป็นตัวมีตัวเราเนี่ยแล้วเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งมีส่วนได้เสียกับ กุศลกุศลที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นกิเลสปัญหาดังนั้นถ้าไม่มีตัวเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนผสมก็จะไม่มีอวิชชามันต้องเอาขันห้ามาปรุงแต่งเป็นตัวเราซะก่อนเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเรามีตัวตนแล้วเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนได้เสียกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราตัวเนี้มันถึงจะเป็นอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยจริงทำให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยจรงทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายญาตนาภัสสาวิทนาปัญหา อุปาทานในความคิดมั่นถือมั่นแล้วก็พบชาติชรามรณะโสกกาปริเทวะทุกข์าโทมนั้นอุปายาสะทุกโศกเศร้าเสียใจขับแขนใจเพราะอวิชชาตัวต้นตัวเดียวคือต้องมีตัวเราตัวเราตัวเราปรุงแต่งเป็นตัวเราเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยคือไปดูดหรือไปผักเข้าชอบใจก็ดูดเข้ามาไม่ชอบใจก็ผักอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยมีตัวเรามีตัวเราก็ไม่มีส่วนได้เสีย แต่ถ้ามันปรุงแต่งเป็นอาการธรรมดาเนี่อตัวมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นกุศลหรือกุศลนะความคิดอารมณ์ความรู้สึกแ่บมันไม่รู้หรอกว่าตัวมันเป็นกุศลนะกุศลมันก็เป็นแค่อาการอาการอาการแต่ถ้ามันมีอวิชชาคือไม่ไม่มีตัวไม่มีความปรุงหลงปรุงแต่งว่ามีตัวเราเข้าไป ม, มีส่วนได้เสียไม่มีอวิชชาเริ่มต้นไม่มีกิเลส ต, ตัณหาเพราะกิเลส ต, ตัณหามันเริ่มมาจากอาวิชชานะ pie. เดี๋ยวเราจะเข้าใจผิด ถ้ตัวตนเราไม่ถ้าละตัวตนเราไม่ปรุงแต่งต่ออย่างเงี้ยเหมือนที่ที่ดวงตาบอกเมื่อกี้ว่าดูขบวนรถไฟวิ่งเร็วๆอ่ะแล้วเรามีสติ ด, ดูอยู่เฉยๆอยู่กับที่โดยที่เรามันดู<ม><ม>เฉยๆอยู่กับที่ได้คือมันไม่มีตัวตนไปอยู่เป็นเป็นเป็นเป็นยืนรู้อยู่มีแต่ความรู้อยู่กับที่ <c oughs> แต่ไม่มีตัวเราไปยืนรู้อยู่ริมทางรถไฟล <c oughs> แล้วปล่อยให้รถไฟความเรสูงวิ่งไปความคิดควาเร็วสูงแต่ละขับวิ่งไป แล้วก็ตัวเรายืนเดอยู่นีตาฐานนี้ปลายขาแข็งอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ทุกตาย ม, มันมีตัวเราไปยืนดูอยู่หรอกมีแต่ความรู้เป็นความรู้มเป็นยานเป็นยานยานคือมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆอยู่อย่างงี้รู้เฉยๆรู้ไปเรื่อยๆอยไม่ใช่รู้เฉยๆจะยิง่งงงอีกรู้แบบไม่ไปรู้แบบไม่เข้าไปแทรกแสงแต่แทรกแซงเมื่อไหร่ก็เป็นสังขารเมื่อนั้นเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวผิดผิดผิดผิดิด สังขารมันก็คงเป็นสังขารนเนี่ยถ้ามีตัวเราเข้าไปแทรกแซงมันเป็นอวิชากิเลสตัณหาสังขารมันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติต้องมีอยู่กับวิสังขารยยยยยยยคือธรรมชาติในองแต่งก็ต้องมีอยู่ไม่ใช่ว่าพอมีเราเข้าไปแทรกแซงมันเป็นสังขาร น, นะมีเราเข้าไปแทรกแซงสังขารหรือมีตัวเราจะไปเอาอะไรมันเพื่จะเป็นอวิชากิเลสตัณหาสังขารธรรมดาไม่ไปคิไม่เป็นอวิชากิลาเลสตัณหาอะไร ตรงนี้เราต้องเข้าใจแม่นนะต้องแม่นมากเลยนะจะคาดเคลื่อนไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวตรคทัดเคลื่อนเข้าใจผิดแล้วพอคนละเรื่องเลยสังขารเนี่ยมันเป็นธรรมชาติจะเป็นกุศลเรื่องกุศลเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยมีตัวเราเข้าไป ม, มีส่วนได้เสียหลงติดไปกับอะไรหรือพยายามจะไปปรุงอะไรเพื่อตัวเราแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอวิชชาไม่เป็นกิเลสตัณหาตรงนี้สําคัญมากเลยต้องแม่นมากเลยว่ะ สังขารทั้สังขารทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีตัวเราก็มีส่วนได้เสียเนี่ยไม่เป็นกิเลสตนหะไม่เป็นอวิชชากิเลสตันหนาปโบรานพบชาติไม่เป็นทุกข์อะไรเลยมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดามันเป็นขัน่าธรรมดาเราก็ไม่ต้องไปวิพากษ์มันต่อะว่ามันมีความคิดอันนึงขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปวิพากษ์หรือวิจาร์มันต่อว่าเอ้ยที่เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้ใช่อย่างนี้ก็คือเป็นตันหาขึ้นใหม่รอบหนึ่งใช่ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวนกลับไปกลับมาจะเหมือนโยมนี่แหละเนีเดี๋ยวเดี๋ยวมันคอยจะมีเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปเพรเพราะมันมีอะไรเรารู้อะไรเราอะไรเราไม่ต้องไปวิพาวิจารณจะไหมเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปพาะวิาวิจาร์ะไหมเราจะต้องไม่ไปเป็นอย่างนั้นจะไหมเราจะต้องไม่ไปทําอย่างนี้่ะไหมอันเนี้ยมันเป็นกิเลสตัณหาที่ว่าจะต้องไม่จะต้องไหมเนี่ยมันเป็นกิเลสตัณหาคือเราพยายามจะทําให้ตัวเราเนี่ย เรารู้เห็นอะไรเราจะต้องไม่มีาวามวิจารณ์ใช่ไหมเรารู้เห็นอะไรเ ร, ะเราจะต้องเราจะต้องเฉยเฉยใช่ไหมเรารู้เห็นอะไรเราจะต้องไม่มีตัณหาใช่ไหมเรารู้เห็นเราจะต้องไม่แต่นั่นเป็นบอกว่าอย่างเนี้แมันเป็นตัณหาแล้วเป็นกิเลสตัณหาคือตัณหาที่อยากไม่ให้มีกิเลสตัณหาอืมแต่ต้องอ่านใจนตัวเองให้ขาด น, นะว่ามั น, ม, นมันมันมีเราเนี่ยแอบมีตัวเราเข้าไป ม, มีส่วนได้เสียไหม คือเราทำเรารู้เราเห็นเราก็ใจเนี่ยมันมีตัวเราเนี่ยเพื่อตัวเราไหมเหมือนตรงนี้สําคัญมากนะเราบอกปล่อยมันคิดไปเรื่อยเรื่อยแท้จริงอ่ะมีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียกับความคิดนั้นหลงติดไปกับมีตัวเราหลงติดไปความคิดนั้นหรือหลงเอาตัวเราเนี่ยปรุงแต่งเป็นตัวเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยคิดไปเรื่อยคิดปรุงแต่งไปเรื่อยอันนี้เป็นอวิชชาเป็นกิเลสตัณหาเป็นอุปทานพพชาติตันตีเลยเราต้องอ่าจใจเราให้ขาดว่าเป็นรู้หรือว่าเป็นหลง หลงคือหลงอ่ะหลงเอาสังขารในยึดขันยึดสังขารเป็นตัวเรายึดขันห้าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วก็เอาตัวเราในคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆดิ้นรนค้นหาคิดปลดคิดตีคิดโลกเดี๋ยวก็คิดทำคิดโลกเดี๋ยวก็มาคิดทำแต่คิดปรุงแต่งหมดเดี๋ยวก็คิดปรุงแต่งเรื่องโลกโกเดี๋ยวเสร็จแล้วก็บอกมาปฏิบัติทำแต่ก็คิดปรุงแต่งหมกบุนแต่เรื่องทำเรื่องนิพพานเรื่องจิตเรื่องจิตเรื่องทำนิพพานจะไปเอาอะไรได้ไอ้นี้ก็ต้องอ่านใจตัวเองขาดแล้วว่ามันมีหลงว่ามีตัวเรามีตัวเรามีตัวเราน เข้าไปเป็นผู้ปรุงแต่งหรือปรุงแต่งเพื่อตัวเราไหมเออแต่ถ้ามันเป็นเราสิ้นยึดแล้วก็มีแต่สังขารมันปรุงแต่งเกิดดับในความไม่ปรุงแต่งแต่มีแต่ความปรุงแต่งแต่เราไม่ไม่เห็นว่าใจเนี่ยมันเป็นวิสังขารใจหรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเลยเราเห็นว่าปรุงแต่งทั้งหมดเกิดดับอยู่ในความไม่ปรุงแต่งถ้าเราไม่เห็นอย่างเงี้ยหลงทันทีเลยหลงเพราะว่อะไรเรามีแต่ว่ามันปรุงแต่งก็ช่างก็ไม่ยึดถือมันแต่มันหลงเอาตัวเราเนี่ยปรุงแต่งตลอดเลย วิกรณีหลงที่ที่มาวันก่อนเนี่ก็หลงหลงกันที่ว่ามันเฉยอ่ะเฉยไม่ปรุงแต่งมันไม่ปรุงแต่งมันเฉยอย่างเดียวว่างอย่างเดียวอันนี้ก็หลงไปอีกแบบนึงหลงทําใจให้วะให้นิ่งให้ว่างให้เฉยอันนี้หลงปรุงแต่งใจให้นิ่งให้ว่างให้เฉยหลงอีแบบหนึ่งต้องเห็นนะมันปรุงแต่งแต่ในความปรุงแต่งเนี่ยไม่มีใครไปเสบยไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปรองรับต้องเห็นอย่างนี้อ่านใจตัวให้ขาดว่ามันทุกขนาดที่มันปรุงแต่งในใจตัวเองเนี่ย มันมีกิริยาการใดๆก็ตามที่กระเพื่อมที่ไหวตัวที่ปรุงแต่งขึ้นมาใ น, ในใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นกุศลนักกุศลไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นคงไปอิสระปรุงแต่งอย่างอิสระไม่มีใครไปแทรกแสงไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปไปห้ามว่าอย่านะอย่านู่นนะอย่าอย่างนี้อย่าอย่างนั้ น, น, นมันมีแต่ทุกอย่างมันเห็นมันว่ามันปรุงแต่งอย่างอิสระแล้วก็รู้ได้ว่าสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ไปรองรับอ่านใจตัวเองขาดอย่างน ไม่ใช่ว่าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปเรื่อยเลยอ่ะตายกลายเป็นว่าหลงเอาเนี่ยเอาขันหน้ามาเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปหลงคิดปรุงแต่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยหลงอันนี้หลงหลงหลงเป็นเอาวิจารยึดถือไปเรื่อยอะไรเงี้ยหลงฟุ้งซ่านมันต้องเห็นว่าเนี่ยความปรุงแต่งมันเกิดดับอยู่ในความไม่ปรุงแต่งแล้วก็ทั้งความปรุงแต่งและความไม่ปรุงแต่งไม่มีใครไปยึดถือไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปเสริมไม่มีใครไปยึดมั่นทั้งความปรุงแต่งและความไม่ปรุงแต่งได้แต่เห็นว่าความ ปุงแต่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่ปรุงแต่งหรือเรียกว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมั people, yup ่นถือมั่นคือไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ่งปรุงแต่งและไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งอ่านใจตัวเองให้ขาดนะออต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดไม่มีใครช่วยใครได้ตรงนี้ดวงตาก็ได้แบบช่วยพูดช่วยบอกช่วยสอนพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะบอกตถาคตได้แต่ชี้แนะเฉยแต่การอ่านใจตัวเองให้ขาดต้องอ่านเอง มันต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดเนี่ยพระพุทธเจ้าฟางปฐมเทศนาที่พระองค์แสดงธรรมจักรกับพระนางสูเดปางปฐมเทศนาเนี่ยเราต้งเก็ตได้ดีๆปางปฐมเทศนาเนี่ยมือสองมือสองข้างของพระองค์ยกขึ้นเห็นไ้มมือมือข้างหนึ่งเนี่ยหงายออกนอกตัวอีกมือข้างหนึ่งเนี่ยคว่ำตัวหาตัวเนี่ยไอ้ปางปางปฐมเทศนาเขาก็ส่งรูปให้ดูเกันนี้เออมือมือข้างหนึ่งเนี่ยออกไปนอกตัว มือข้างหนึ่งเนี่ยความก็หาตัวเอ่แล้วก็สองมือเนี่ยเกี่ยวพันกันเกี่ยวพันกันล้างกันอยู่นี่ยสองมือแตะกันเนี่ยสองมือแตะกันล้างกันอยู่อันเนี้ยหมายถึงว่าสีถ้าเรายังปฏิบัติด้วยความมีอะไรที่เราชอบใจถูกใจจะดูดก็หาตัวจะเอามีสิ่งใดไม่ถูกใจไม่ชอบใจจะผลักออกไปนอกตัวถ้าเรายังมีดูดมีผลักเนี่ยมันเป็นกิเลสตัณหามันเป็นทางตรงข้ามวันที่ผานมันจะเกาะเกี่ยวกันอยู่เงี้ยไปกิเลสตัณหาไม่ไปไหนแล้ว มันจะยังเป็นทุกยึดกันอย่างเงี้ยเป็นทุกมันเนี่ยไอการที่มันยึดกัน่มือซ้ายมือขวาได้แตะกันคือแต่ในเงการยึดเนี่ยมันจะมีความยึดนั่นเป็นทุกมันเป็นทุกมันจะไปไหนไม่รอดหรอกมันจะดันล้างกันอยู่เนี่ยเป็นทุกมันจะล้างกันไงเพราะว่าไอสองมือเนี่ยมันจะล้างกันอยู่ในเนี่ยคือดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขอยู่ในเนี่ยมันก็จะล้างกันอยู่เนี่ยเนี่ยอันไหนชอบก็จะเอาอันไหนไม่ชอบก็ไมีแต่ททุุุกกกวเกกกีี่่ยยววเลงันอย่างเี้มันกีี่่ยยวล้้าางอเนะ พระองค์ก็เลยวางแค่มือหนึ่งแล้วก็เหลือมือข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งเนี่ยเอานิ้วนิ้วนิ้วโป้งนิ้วหัวแม่โป้งกับนิ้วชี้เนี่ยจีบกันเป็นวงกลมแล้วก็เฮ่นิ้วอะไรนะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกางนิ้วก้อยสามนิ้วเนี่ยชูขึ้นแล้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยนิ้วโป้งนิ้วชี้ทำกลมๆเงี้ยยกเหลือข้างหนึ่งเหลือมือข้างหนึ่งเอะมือข้างหนึ่งตรนี้หมายถึงอะไรพระองค์แบบอ่าไม่รับและไม่ ไม่ไม่ไม่รับเหมือนไม่ดูดและไม่ผักนะแล้วตรงนี้ก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามรัฐาของมันอย่างนี้รู้ป่ะครับไมทำไมไม่เข้าใจว่าทําไมไอ้สามนิ้วจึงหมายถึงว่าไม่รับไม่ดูดไม่ผักหมายถึงอะไรอ๋อต้องยอมยมหมายถึงกิรยาอาการที่ที่อยู่เฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมันสามนี้มต้องมีความหมายดิสามนี้ทีาอย่าชูขึ้นเดี๋ยต้องมีความหมายต้องใช้ปัญญาของเราไม่มีเขียนที่ไหนหรอกพวกนี้มันจากรูปธรรมต้องเป็นปัญญาเป็นนามธรรมเป็นปัญญา เป็นปัญญาที่จะต้องเข้าใจได้ตัวเองด้วยใจของเร า, ารเป็นรูปธรรมจากรูปธรญญรมต้องให้เห็นต้องเข้าถึงปัญญาหมายถึงสีนสมาธิปัญญาปะ่ะคะของสามสามอันอะไรแล้วที่มันทําให้ถึงไงกลมๆนี่คืออะไรเออต้องเห็นอันนี้นนสามสา ม, สามนิชชีต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นจึงพบความว่างจึงพบความว่างคือยิชชีกับนิพพุทจีบกับเป็นความว่าง ต้องเห็นนิจจังทุกขังอนาัตตาของสังขารทั้งมวลเป็นนิจจังทุกขังอนัตตายึดถือไม่ได้แล้วก็จึงพบความว่างแล้วเนี่ยสุดท้ายมือขององค์ที่ยกขึ้นมาเนี่ยมือเดียวเนี่ยก็วางลงปังตัดสรู้เนี่ยวางลงเป็นปางตัดสรู้วางลงทั้งสองมือบนหน้าตากององค์สบายๆเนี่ยหมายถึงอะไรมืออีกข้างนึ่งพอแสดงทำเสร็จเอ็นยิ้มที่จีบกันเป็นวงกลมเนี่ยแล้วก็สามนิ้วที่ชูขึ้ น, นพอเข้าใจแล้วก็วางลง แล้วก็ตัดสัรู้หมายถึงอะไรวางทุกอย่างวางทุกอย่างนะหลวงตาวางอะไรล่ะนั่นคืวางอะไรต้องชัดๆวางอะไรวางอะไรวางอะไรวางทั้งผู้รู้ละวางทั้งสิ่งที่ถูกรู้วางทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้นะหลวงตาวางความยึดมันถือมันยึดมันถือมันมันก็วางตั้งแต่เจอความว่างไล้นะหลวงตาไปตัวนี้มันดิจังทุกขังอนะตามันเป็นอะไรอ มันเป็นอะไรนิจังทุกขังอนัตตาสามสามนี่ที่จูมันเป็นอะไรไตลักไตลักไตรักมันมันเป็นเฉพาะจับอะไรกับสังขารเท่านั้นเนี่แหละมันเป็นจับสังขารเท่านั้นเนี่ยความว่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นไตลักด้วยเพราะมันเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกิดดับมันไม่เป็นไตรักมันจึงเป็นความว่างแล้วไหนความว่างมันก็อยู่ด้วยกันกับสังขารปรุงแต่งที่เป็นนิจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางทั้งสังขารและปล่อยวางความว่างที่เป็นวิสังขารวางลง วางสองมือลงก็เลยสิ้นความยึดบ้านถือบ้านที่เป็นนิพพานต้องวางให้มันชัดเจนต้องเห็นสั ก, ก่อนไม่ใช่วางอะไรก็วางหมดวางหมดไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยวางทั้งสังขารเรเห็นสังขารเป็นนิจังทุกอานตาก่อนแล้วเจอความว่างแล้วความว่างก็มายึดอีกที่เป็นนิพพานไม่วางหมดวางหมดเราไปรู้ <c oughs> เรื่องอะไรเลยไม่ใช่